วันมรืนนี้นะเสรษฐยาธิษฐาของหลวงพ่อคำเขียนจะจัดให้มีการปฏิบัติธรรมนะเป็นอาจารยบูชาที่ห อ, อจดหมายเหตุพุทธทาสอินท ป, ปัญโยนะหรือสวนโมกกรุงเทพจะจัดปฏิบัติธรรมสามวันนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะ มีอาจารย์ทรงศิลป์แล้วก็อาจารย์สมใจเนี่ยเป็นอาจารย์กรรมฐานอาทิตจัสนี่ก็ประรเนื่องจากเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่คล้ายนะเดือนเกิดแล้วก็เดือนมรณะภาพของหลวงพ่อนะหลวงพ่อเกิดสิบสองสิงหาแล้วก็มรณะภาพยี่สิบสามสิงหานะ เมื่อวันที่สิบสองเราก็ไปปลูกป่ากันที่ภูหลงนะก็ไปกันเยอะนะสองร้อยห้าสิบคนได้นะทั้งพระทั้งโยมอันนี้เป็นงานนะที่ผู้โค้งนะแต่ว่าที่กรุงเทพเนี่ยทุกปีหลังจากที่หลวงพ่อมรณภาพก็มีการจัดงานนะในช่วงนี้แหละนะ ตั้งแต่ปีห้าแปดเป็นต้นมานะปีห้าแปก็จัดปฏิบัติธรรมแล้วก็จัดเสวนาธรรมนะเน้นเรื่องคำสอนของหลวงพ่อที่ว่าเห็นไม่เป็นปีที่แล้วก็ทำเหมือนกันนะเหมือนเดิมนะแต่ว่าหัวข้อเปลี่ยนไปเป็นไม่เป็นอะไรกับอะไรนะ ปีนี้จัดยาวหน่อยนะสี่วันนะสามารถเป็นการปฏิบัติธรรมนะวนมันที่สิบเก้านี่ก็มีการเสวนานะเรื่องธรรมะเดินทางนะจะเน้นประสบการณ์ของคนที่ได้เคยเดินทางไปกับหลวงพ่อแล้วก็มีเรื่องราวประทับใจได้ธรรมะอะไรจากหลวงพ่อมั่งทั้งจากปฏิปทาวัดปฏิบัติของท่าน หรือจากคําสอนของท่านในระหว่างเดินทางไปต่างประเทศนะใครที่อยู่กรุงเทพในช่วงนั้นก็เชิญได้นะสิบเก้านีนะ่มีทั้งวันนะเชิญคนหลายคนมาพูดทั้งพระทั้งโยมนะส่วนสิบหกถึงสิบเจ็ดอ่ะสิบหกสิบแปดเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมนะทั้งวันเลยใครทีนะ่อยากจะ มาเติมสติชาร์จแบตเตอรี่นะให้กับชีวิตจิตใจของตัวเองก็เชิญได้นะสำหรับผู้ที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ส่วนโมกกุงเทพก็ได้นะแต่คนที่กรุงเทพเนี่ยนะถ้าไม่มีเวลานะจะขึ้นมาที่นี่นะก็ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยปลารบเอาช่วงนี้แหละ เพื่อเป็นอาจารย์บูชาหลวงพ่อคำเขียนก็จะมีครูบาอาจารย์มามาแสดงธรรมตอนทาวัดเจนด้วยนะเจนอาจารย์คันชิตนะหลวงพ่อมหาไหลนะตอนทาวัดเช้าตื่นขึ้นมาก็มีปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการแสดงธรรมด้วยเหมือนกันนะปีนี้ก็ จะทำหนังสือเล่มหนึ่งนะเพื่องานนี้โดยตรงนะชื่อว่าธรรมะเดินทางนะก็จะรวบรวมเอาคำสอนของหลวงพ่อในระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศนะแะรวมทั้งประสบการณ์ของคนที่ได้เคยร่วมทางกับท่านนะก็น่าเป็นโชคนะพ่อหลวงพ่อจริงๆก็เดินทางต่างประเทศก็ไม่ค่อยบ่อยหรอกอตาตมาก็มีโอกาสได้เดินทางไป กับท่านเนี่ยก็สีห้าครั้งนะครั้งแรกก็ประเทศอินเดียปีสามสี่ต่อมาก็อินโดนีเซียและบาหลีปีสามหต่อมาก็ฟิลิปปินปีสามเกและปีถัดไป4ี่สิบนะก็ไปอเมริกากับหลวงพ่อนะครั้นี้ไปยาวนะไปสามเดือนนะสองเดือนกว่าก็ได้ติดตามหลวงพ่อไปเป็นล่ามนะ หลวงพ่อแสดงธรรมที่ชิคาโกนะที่เซนหลุยนะแล้วก็ที่นิวยอร์กนะวัดจวงเยนนะไปกับหลวงพ่อก็ดีนะได้ได้ฟังธรรมที่ท่านได้สนทนากับต่างประเทศแลนะถ้าไปแบบนี้เนี่ยก็มีเวลาที่จะจะบันทึกจะเขียนนะเรื่องราว ที่ได้อยู่กับหลวงพ่อนะไปอเมริกาครั้นั้นก็ก็มีผลงานออกมาสองเล่มนะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะะเล่มภาษาไทยก็อเมริกาจาริกนะภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นหนังสือเล่ม ที่เป็นคำบรรยายแล้วก็คำสนทนากันชื่อว่า Spiritual Tips for Meditators นะก็ไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ว่าภาษาไทยนี่แพร่หลายกว่าแต่ว่าที่จะไปแจกในวันที่ส9บเก้านี่ยนะก็จะเป็นเล่มเล็กๆนะอันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะเพื่อว่าใครที่ และลึกถึงหลวงพ่อนะแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้ฟังธรรมที่หลวงพ่อได้ถ่ายทอดนะโดยตรงก็ดีผ่านสิก็ดีนะก็ได้ฟัง16 17 18 19วันที่18นี้ก็มีอีกงานหนึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะแต่ว่าเกี่ยวข้องโดยอ้อมก็ได้นะ จะมีการเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะนะเป็นการส่งเสริมเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยนะปลูกต้นไม้เยอะๆนะไม่ใช่แค่ปลูกในพื้นที่ป่าสงวนป่าเสื่อมโทรมนะแต่ว่าปลูกในท้องไร่ท้องนานะในบ้านของตัวเองก็ได้เรียกว่าที่ส่วนตัวนะ ช่วยเงนปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะอันนี้เป็นงานใหญ่ทีเดียวเพราะว่าจะทําเรียกว่าในหลายพื้นที่นะทั่วประเทศก็มีหลายหน่วยงานเนี่ยมาร่วมกันเป็นภาคีนะขอจดหมายเหตุก็ด้วยนะข อ, อจดหมายเหตุพุทธทาสนะวัดป่าสุโกโตวัดป่ามาหาวันก็ร่วมเป็นภาคีมูลนิธินะ วนนกกรรณเกษตรของอผู้ใหญ่วิบูลนะซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วก็มาร่วมเป็นพาคีด้วยก็เป็นการเปิดตัวนะเพื่อที่จะทั้งระดมทุนแล้วก็ระดมความคิดความเห็นนะเพื่อที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องการปลูกต้นไม้เนี่ยให้มันเป็นเรื่องสําคัญโดวยว่าสําหรับชาวพุทธนะเพราถือว่าปลูกต้นไม้ก็เป็นการ ทำบุญไปได้วยในตัวแล้วก็เป็นการส่งเสริมธรรมด้วยนะเพราะว่าป่าเนี่ยนะมันก็เกิดจากต้นไม้นะแล้วการอยู่ป่านะถ้าอยู่เป็นนะมันก็ทำให้เห็นธรรมได้นะหรือว่าใช้ความสงบสงัดของป่าเนี่ยในการทำให้จิตสงบเป็นสมาธิแล้วเกิดปัญญาตามมา นะหรือว่าใช้สตินี่แหละในะพิจารณาธรรมชาติภายในนะของกายและใจมันก็เห็นทำได้เหมือนกันหรือว่าจะใช้ปัญญาพิจารณาธรรมชาติภายนอกนะก็เข้าใจได้นะสามารถจะเข้าใจได้ในเรื่องของพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขานัตตาอย่างมีพระอรหันต์บางท่านเนี่ยท่าน ปฏิบัติทำยังไงก็ไม่ได้ผลนะไม่สําเร็จไปพิจารณาศพอสุภกรรมาฐานก็ไม่เห็นทำนะท้อแท้อยากจะสึกนะไปทูลลาผู้เจ้ า, อาขอสึกผู้เจ้าก็แนะนําว่าเนี่ยให้ลองพิจารณาดอกบัวนะพิจารณาดอกบัวในสระเนี่ยนะท่านก็พิจารณาตั้งแต่เห็นมันค่อยๆตูมแล้วก็บานแล้วก็ค่อยๆร่วงโรยนะ พิจารณาเนี่ยไปเนี่ยจิตก็สงบเป็นสมาธิแล้วก็เห็นนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาชัดเจนเลยจิตก็หลุดพ้นจากทุกนะกลายเป็นพระอรหันต์เลยนะเป็นพระอรหันต์จากการที่ได้พิจารณาดอกบัวนะที่มันแปลเปลี่ยนไปนะอันนี้ก็เรียกว่าตรงกับที่หลวงพ่อบอกว่าเนี่ย นะธรรมะเนี่ยก็คือตัวธรรมชาตินี่เองนะไม่ได้นอกเหนือไปจากธรรมชาติที่ไหนคนเราสามารถจะบรรลุธรรมได้จากการที่สังเกตรธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหมันพิจารณาธรรมชาติเนี่ยก็เห็นธรรมแต่เดี๋ยวนี้ธรรมชาติก็ไม่ค่อยเหลือให้พิจารณาแล้วนะเพราะว่าป่าค่อยหดหายไปก็ต้องช่วยกันปลูกให้มากขึ้นนะให้เป็นที่สงบสงัดโครงการนี้จะทําเป็นเป็น เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สงบสงัดเพื่อการภาวนาด้วยนะจะใช้เนื้อที่ประมาณห0สิไร่นะก็ไม่ไม่มากนะแต่ว่าก็ไม่น้อยสำหรับพื้นที่ติดเมืองนะและ้วก็เต็มตัวนะรับพรได้อิชิตังปฏิตังตูมหังคอยทัพผลที่ด้านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเอปาเมวัสามิชาต จงสำเร็จโดยชาพรณ์สาเพยุเรนตุสังกปาขอความดำรีทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพริมันนิโชติราโสยทาเหมือนแก้มมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพิท ย, ยวิวาชันตูความจันไรทั้งพวงจงบำไรไปสาพโรโคกินาสตุ เรากทางขวงของท่านจงหายมาเตพาวัดวันตารายโอันตารายามีแก่ท่านสุคีติคายุโกภาท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุเยืนอภิวาทานาสิเรสนิจังุทาปัจจายโนจัตตารุธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภละ สามสี่ป่า ก, กาลคืออายุวันนาสุขระรละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวหว้กรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิเพอวันตูสพภพมางคารั ง, งพอสพภมงคลจงมีแก่ทานราขันตูสาพพเทวตาพอเราเทวดาทั้งบวนจงรักษาทานสาภาพุทธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาวพาธรรมานุภาเวนะโวยอนุภาแห่งพระธรรมสาวพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภ า, า, า, า, า, า, าแห่งพระโสสาธาโสติภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดุวเมื่อเถิด